นิทานไทยป่าต้องห้ามการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองเซลเคอร์สกอตแลนด์ยังมีขุนนางคนหนึ่งมีลูกสาวว่าเจเนตเขารักเธอมากกว่าสิ่งใดในโลกใบนี้เจเนตเป็นหญิงสาวที่งดงามน่ารักและมีจิตใจที่เมตตาแต่ว่าเธอก็ยังกล่าหารและชอบการผจญภัย ที่ชาญเมืองของอาณาจากักรมีป่าคาร์เตอร์เฮาอยู่เจเน็ตต้องการจะไปสำรวจมันแต่ท่านพ่อถ้าไม่อยากนั่งเล่นเกมและพูดคุยเกี่ยวกับความสวยงามในวังทั้งวันหรอกนะคะพ่อก็รู้ว่าข้าไม่ชอบมันนอะลูกก็ไปยิงธ น, นูเล่นคาราเต้แล้วก็ลองแพ้สิทำไมจะต้องอยากไปป่าด้วยเล่าแล้วทำไมข้าถึงไปป่าไม่ได้ล่ะมันก็เป็นเขตเมืองของพวกเราไม่ใช่เหรอ พ่อบอกเป็นล้านครั้งแล้วนะเจเน็ตป่านั่ น, น่ต้องทราบแฟรี่ในป่าแห่งนั้นจะใช้ก้นอุบายกับนักเดินทางกนอุบายอะไรกันท่านพ่อพ่อก็ไม่รู้พ่อไม่เคยไปที่นั่นแล้วถ้าหากมันเป็นแค่ข่าวลือล่ะคะข้าเคยเห็นนกที่งดงามอยู่บนต้นไม้กว้างไลายจุดต่างก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานถ้าแฟรี่ เล่นกดอุบายจริงแล้วก็ทำไมพวกสัตว์และนกเหล่านั้นถึงดูมีความสุงมากล่ะคะมันต้องเป็นป่าที่วิเศษมากแน่ๆให้ข้าไปสำรวจมาเถินนะคะได้โปรดไม่มีใครในเมืองอย่างกลายไปที่นั่นสามชั่วอายุคนแล้วนะเจนเน็ตเพราะไม่มีใครรู้อะไรที่นั่นไงล่ะคะให้ข้าไปทถนนะท่านพ่อถ้าอยากไปท่านก็รู้นี่นานี่มันแค่ความกลัวเท่านั้นนะคะ พ่อปกป้องข้าตลอดไปไม่ได้ข้าโตแล้วนะท่านพ่อ้อก็ได้พ่อจะหาพักพวกใ่้ยก็แล้วกันท่านพ่อข้าสามารถดูแลตัวเองได้ข้าไม่ต้องการให้ใครไปด้วยถ้าหากว่ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ข้าจะรีบกลับมาข้าขอให้สัญญาเลยลูกจะระวังตัวใช่ไหมข้าสัญญาดังนั้นในวันต่อมาเจเน็ตจึงเข้าไปในป่ามันสวยงามมาก มีนกหลักสีสันต้นไม้ขนาดใหญ่เหล่าผีเสือ้อและบ่อ น, น้ำคริสตัลทันใดนั้นต้นไม้ ร, บรอบๆตัวเธอก็ได้สั่นไหวอย่างรุนแรงต้นไม้เหลือได้พยายามเข้ามาจับเธอเจเน็ตอ <vie> ลังกาหลบได้ทันเวลาเจ้าเป็นใครกนันและเขามาทำอะไรในป่าของขา้าป่าแห่งนี้เป็นอาณาเขตของเมืองพวกเราข้าควรถามเจ้ามากกว่าว่าเจ้าเป็นใครกันแน่ ข้าให้ออกกาเจ้เป็นครั้งสุดท้ายนะสาวนอยไปจากป่านี่ซะข้าจะรับ1นึ่งถึงสถ้าไปข้าจะไว้ชีวิตเจ้าข้าอาจกลัวเจ้าก็ได้ถ้าเจ้ายอมเผยตัวตนออกมาสู้จริงๆแต่ว่าข้าไม่กลัวหรอกนะกับคนที่ซ่อนตัวอยู่แบบนั้นงั้นเราจะได้เห็นดีคั้ท่านใดนั้นใบไม้ก็กลายร่างเป็นเอฟตัวน้อยที่ดุร้าย พวเขาวิ่งตรงเข้ามาพร้อมกับไทไมายคว้าไปที่เธอแต่ว่าเจเน็ตสามารถหลบได้อย่างพริ้วไหวเธอหยิบไม้และหินขึ้นมา2ก้อนและจุดไฟคบเพลิงทําให้พวกเอลฟ์ทั้งหมดหนีไปแต่ชุดของเอฟตัวหนึ่งได้ติดไฟขึ้นเจเน็ตเห็นดังนั้นจึงรีบขึ้นเอลฟ์ตัวนอนขึ้นมาและกระโดดลงไปในบ่อน้ําเพื่อดับไฟเ<อ>จ้าไม่เป็นไรเนะเฮะเจ้าช่วยชีวิตข้าวไว้ ข้จบทีเจ้าแต่เจ้ายังช่วยข้าข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้สักหน่อยเจ้าและเหล่าแฟรี่ของเจ้าอยู่ที่นี่ได้ถ้าเจ้าต้องการแต่ถ้ายอมให้พวกเราสำรวจที่นี่ด้วยมันจะดีมากข้าอยากท่องเที่ยวที่นี่และสนุกสนานไปกับความงามของมันข้าต้องการแค่นี้ถ้างั้นเจ้าต้องไปคุยกับหัวหน้าของพวกเราอ่ะเอลฟ์แทมลินทันใดนั้นก็มีเสียงฟ้าร้องดังขึ้น แทมลินได้ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางต้นไม้เจนเน็ตใช่ไหมเจ้าช่วยชีวิตหนึ่งในพวกเราเอาไว้ขอบคุณมากนะถ้าเป็นผู้ดูแลป่าแห่งนี้เจ้าต้องออกไปจากที่นี่ซะป่านี่เนี่ยอันตรายมากเลยเจ้าเป็นผู้ดูแลป่าแห่งนี้งั้นเหรอถ้างั้นเจ้าต้องรู้จักที่นี่ดีสิทำไมเจ้าไม่เป็นกลให้กับข้าแล้วพาข้าสำรวจที่นี่ล่ะ คำขอบคุณควรเป็นสิ่งที่กระทําดีกว่าความพูดจริงไหมเล่ะถ้าหากว่าเจ้าอยากขอบคุณข้าเจ้าก็เป็นกายให้ข้าสิเจ้ามีความมุ่งมั่นมากนั้นก็ได้ข้าจะพาเจ้าสํารวจรอบๆเองตามข้ามาแทมลินพาเจเนตไปยังสวนที่งดงามและวิเศษที่สุดในป่าภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยดอกบลูเบล์ราวกับว่าปูไปด้วยพรมหนาๆสีม่วง ภูเขาแห่งผีเสื้อสีทองสถานที่ของนอกมากมายร้องเพลงอย่างไพเราะเกินกว่านกตัวใดที่เจเนต็ตเคยได้ยินมาโอ้ป่าแห่งนี้ช่างงดงามเหลือเกินและยิ่งคุณเห็นมันมากเท่าไหร่คุณยิ่งอยากจะเห็นมันมากขึ้นเท่านั้นเจเนต็ตเริ่มไปที่นั่นทุกวันและแทมลินก็เป็นการให้กับเธอเสมอวันเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพวกเขาดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกดินด้วยกันปิกนิกและก็พายเรือหัวเราะแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันไม่กี่เดือนพวกเขาก็รู้จักและชอบกันมากยิ่งขึ้นความรักที่สวยงามเริ่มก่อตัวขึ้นแต่เจเนตรู้สึกว่าแทมลินยังรู้สึกเศร้าอยู่และในวันหนึ่ง ความเศร้านั้นได้บาทลึกลงไปอีกแทมมีอะไรเงั้นเหรอที่รักเจ้าดูเศร้ามากเลยโอ้เจ้าเป็นห่วงความรู้สึกข้าด้วยอย่างนั้นเหรอข้ารักเจ้าเนะเพราะงั้นเจ้าเลยไม่ถามข้าเลยสินะว่าชีวิตในแต่ละวัดของข้าเป็นยังไงแล้วข้ามาเป็นผู้ดูแลป่าที่น่าสังเวชของราชินีเอลฟ์ได้ยังไงกันข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นใครแทมลิน บอกข้าเธอนะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ข้าสนว่าข้าเป็นใครเจ้ารักข้าไม่ได้หรอกเจเน็ตพวกเราไม่ควรจะมาพบกันอีกทำไมเจ้าพูดแบบนั้นล่ะเจ้ารู้ไหมข้าก็เคยเป็นคนมาก่อนอะไรเนะพ่อแม่ข้าทิ้งข้าไว้ตอนข้ายังเด็กมากข้าจำพวกเขาไม่ได้ด้วยซ้ำข้าเสียใจด้วยนะท่านปู่เป็นคนเลี้ยงข้า หลายปีจากนั้นพวกเราเข้ามาตั้งแคมป์ในป่ากับเพื่อนเขาและห ล, ลานๆแต่เมื่อเราเดินทางมาในป่าแห่งนี้ข้าก็รู้สึกเหนื่อยล้ามากจนเดินอยู่หลังสุดข้าไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่แล้วที่ข้านอนอยู่และนอนที่ไหนตอนที่ข้าตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ในที่แปลกๆนี้แล้วดินแดนราชินีเอลฟ์และร่างกายข้าก็เปลี่ยนไป นางลักพาตัวข้ามาตอนที่ข้าหลับอยู่ตั้งแต่ตอนนั้นข้าก็ไม่รู้เลยว่าผ่านมากี่ศตวรรษข้าต้องดูแลป่าแห่งนี้วันแล้ววันเล่าและเมื่อความมืดมิดมาเยือนจนข้าพบว่าตัวเองกลับมาอย่างดินแดนของราชินีเอลฟ์ข้าก็รักเจ้านะเจเน็ตแต่เจ้ากับข้าเราคงไปกันไม่ได้ข้าไม่ได้รับอนุญาตและมันจะเป็นยังไงต่อละเจเน็ตข้าจะเป็นเอลฟ์นักโทษของแฟรี่ตลอดไปใช่ไหม มันไม่มีหนทางทำลายคำสาบเลยงั้นเหรอมีเพียงทางเดียวมันเป็นโอกาสแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเราเท่านั้นบอกข้ามาเถอะข้าจะทำมันสัญญากับข้าถ้ามันไม่ได้ผลเจ้าจะต้องลืมข้าซะแฮมลินเจ้าไม่ต้องคิดเองแทนข้าข้ารักเจ้าและไม่สนว่าเจ้าจะเป็นคนหรือว่าเอลฟ์ข้าจะมาเจอเจ้าแม้ว่าจะต้องทาตลอดชีวิตของพวกเราก็ตาม แต่ถ้ามันมีทางที่จะทําให้เจ้าเป็นอิสระข้าก็จะทำํำบอกข้ามาว่าข้าต้องทํำยังไงบ้างคืนพรุ่งนี้จะเป็นวันที่พระจันทร์สาวินมันเป็นคืนพิเศษ ท, ที่จะมาแค่ร้อปีต่อครั้งเหล่าแฟรี่จากที่นี่ทั้งหมดจะเดินทางไปยังโลกเบื้องล่า ง, งจเจ้าต้องมาดักรอที่แยกของป่านี้ตอนเที่ยงคืนกองทัพของเหล่าแฟรี่จะมาพวกเขาจะมาสามขบวนปล่อยสองขบวนแรกให้ผ่านไปข้าจะอยู่ในขบวนที่สบนม้าสีขาว และมีวงแหวนสีทองบนหน้าผากข้าเจ้าต้องวิ่งมากระชากข้าออกไปจากมา้าและกอดข้าไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามห้ามปล่อยข้านี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำลายคำสาบข้าจะทำมันดังนั้นในคืนต่อมาเจนเนตออกมารอที่ทางแยกของป่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนเธอได้ยินเสียงของขบวนมา้า และขบวนของแฟรี่กลุ่มแรกก็มาถึงเธอปล่อยให้พวกเขาผ่านไปขบวนที่สองมาถึงเจเน็ตก็ปล่อยให้พวกเขาผ่านไปแต่ว่าเธอตระหนักได้ว่าม้าวิ่งเร็วมากเธอไม่มีทางคว้าตัวแทมลินบนม้าได้ทันแน่ดังนั้นเธอจึงปีนขึ้นไปบนต้นไม้และเกาะกิ่งที่แข็งแรงไว้เมื่อขบวนที่สา ม, มาถึงและเธอเห็นจุดที่แทมลินอยู่เธอได้แกวงทาวันอย่างยอดเยี่ยม และตรงไปคว้าตัวแทมลินออกจากม้า <c oughs> ก่อนที่มันจะวิ่งผ่านไปแต่ทว่าราชินีเอลฟ์กลับได้เห็นทั้งสองคนเข้าแทมลินเจ้าบังอาจมากและผู้หญิงคนนั้นเป็นใครทำไมคนถึงมารักกับเอลฟ์ได้ละ่ะเจ้านะ่ะจองออกไปซะความรักไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลงั้นมันดูกันว่าความรักของเจ้าจะแข็งแกร่งพอไหม ราชินีเอลฟ์ใช้เวทมนตร์ของเธอเปลี่ยนแฮมลินให้เป็นกิ้งก่าตัวลืนล่นๆเพื่อให้หลุดจากมือของเจเน็ตแต่ว่าเธอก็พยายามจับเขาไว้ราชินีเปลี่ยนแฮมลินให้กลายเป็นงูที่ดุร้ายเลื้อยไปมาบนตัวของเจเน็ตแต่ว่าเธอก็ยังคงทนไหวราชินีเปลี่ยนแฮมลินให้กลายเป็นฐานที่ลุกไหม้เจเน็ตกรีดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดแต่ว่าเจเนตก็ยังไม่ปล่อยเขาไป นี่เป็นทางเดียวที่ข้าจะปลดบปล่อยเขาได้ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เป็นอิสระเจนเน็ตร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทันทีที่น้ำตาของเธอสัมภัยกับ่านมันได้มอดลงอะไรกันทำไมไม่กลายเป็นฐานล่ะน้ำตาแห่งรักแท้ไม่มีความชั่วไรไ้ายใดทำอะไรมันได้เจ้าแพ้แล้วราชนี เจเน็ตและความรักของเธอชนะเจ้าแล้วคนมาับ ก, กับเอลฟ์เป็นไปได้ยังไงกันราชินีเอลฟ์ยินดีต้อนรับสู่ป่าในเมืองของพวกเราแต่ว่าพวกเราอยู่กันแบบเพื่อนดีกว่าศัตรูได้ไหมคนกับเอลฟนะ์น่ะแนวคิดเรื่องมิตรภาพของคนอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยสำหรับราชินีเอลฟ์เธอเพียงแค่ควบวมาออกไปและไม่เคยกลับมาอีกเลยในไม่ช้า เจเน็และแทมลินก็แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเมื่อราชินีเอลฟ์หายไปผู้คนในเมืองก็ไม่กลัวป่าอีกต่อไปพวกเขาไปตั้งแคมป์และไปปิกนิค ก, กับลูกหลานของพวกเขาในป่าแต่คนที่ไปป่าแห่งนั้นมากที่สุดก็คงจะเป็นเจเน็ตและแทมลิน